m mm -hmm. ที่วัดป่าสุกโตสมัยก่อนบริเวณด้านหน้าของศาลาหน้านี้จะมีหินอยู่แผ่นหนึ่งแล้วก็มีข้อความว่าที่นี่ไม่มีคนแปลกหน้ามีแต่มิตรที่เพิ่งรู้จักเดี๋ยวนี้หินแผ่นนั้นก็สูญหายไปแล้วแต่ว่า ข้อความนี้นะมันก็ยังเป็นข้อเตือนใจหรือว่าคำบอกกล่าวที่ก็ยังมีความหมายอยู่จนทุกวันนี้นะเวลาพวกเราแต่ละคนมาที่วัดป่าสุกโตแม้ว่าจะมากันจากคนละที่คนละทาง มีภูมิหลังแตกต่างกันนะหลายคนก็เพิ่งมาเจอกันที่นี่เป็นครั้งแรกนะแต่ก็ให้ถือว่าคนที่เราได้มาพบปะ ก, กันที่นี่เนี่ยรู้แล้วแต่เป็นเพื่อนของเราข้อความนี้เนี่ยก็ยังมีความหมายรวมไปถึงว่าพระ หรือว่าแม่ชีหรือว่าผู้ที่อยู่ประจำที่นี่เนี่ยนะก็รู้แล้วแต่มีใจเป็นมิตรกับพวกเราเนะี่ยแม้ว่าจะไม่เคยได้รู้จักกันมาก่อนเพิ่งพบกันเป็นครั้งแรกนะแต่ว่าก็ให้ถือว่า เ, เพื่อนกันหลวงพ่ อ, เ, อเขียนท่านอ่า ก็พูดอยู่เสมอว่าให้ถือว่าเป็นบ้านของเรานะคาว่าบ้านของเราก็ย่อมหมายความว่าผู้ที่อยู่ด้กันที่นี่นะไม่ใช่เป็นแค่เพื่อนเท่านั้นนะแต่ว่าเป็นถึงขั้นพี่น้องเลยให้เรารู้สึกว่าผู้คนที่เราได้พบปะกันที่นี่ไม่ว่าจะเพิ่งมาก็ตามไม่ว่าจะเป็นผู้ที่อยู่มานานก็ตามเช่นพระแม่ชี หรือว่าผู้ปฏิบัติอุบาสกอุบาสิกานะนะเป็นกริยะนมิตของพวกเราที่จริงมิตรที่เพิ่งรู้จักนี่ก็ไม่ได้มีแต่คนเท่านั้นนะธรรมชาติเนี่ยก็อยากให้เรามองให้เห็นว่าก็เป็นมิตรของเราเหมือนกันนะเป็นเพื่อนของเราหลายคนไม่เคย มาอยู่ป่าไม่เคยมานอนป่าหรือว่าไม่เคยมาสัมผัสกับวัดป่าที่นี่บางส่วนมันก็เป็นเหมือนกับชุมชน น, น้อยๆแต่ส่วนใหญ่ก็ยังมีสภาพเป็นป่าอยู่เรียกว่าเป็นชุมชนนะท่ามกลางป่าเวลานึกถึงป่าล้วก็อาจจะ นึกไปถึงพ ว, วกสัตว์ต่างๆที่เราไม่คุ้นเคยรวมทั้งงูงเหยียวเขียวขอสัตว์มีพิษต่างๆพอคิดไปแล้วก็เกิดความกลัวนะตะที่จริงธรรมชาติที่นี่นะก็เป็นมิตรกับพวกเราเหมือนกันนะเขาก็ช่วยกันนะทำให้สถานที่แห่งนี้มาเป็นป่ามันทำให้วัจจกร ของธรรมชาตนะิที่นี่อยู่ได้สัตว์รรทุกชนิดก็ต่างทาหน้าที่ของตัวทั้งนั้นนะแม้แต่งูนะเาก็มีหน้าที่ของเขานะพอถ้าไม่มีงูนะก็อาจจะมีสัตว์บางชนิด น, นันนแพ่พันธุ์มากก็ทำให้เสียสมดุลไปเช่นอาจจะมีหนูเยอะนะ พอหนูเยอะแล้วเนี่ยมก็ทำให้สมดุลในธรรมชาติแม้กระทั่งในป่าเล็กๆอย่างที่นี่มันก็เปลี่ยนไปสตร์ทุกชนิดศาสต์ทุกตัวเขาก็ทำหน้าที่และหน้าที่โดยรวมก็ทำให้ป่าแห่งนี้นะดำรงอยู่ได้และเมื่อมีป่านะมันก็มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการปฏิบัติ แล้วกษัตริย์เหล่านี้นะก็ไม่ได้คิดจะมารบกวนเราอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเมื่อเรามาที่นี่ก็ให้มาด้วยความรู้สึกปลอดภัยนะมอบความไว้วางใจนะไม่ใช่กับเฉพาะคนนะที่เราเพิ่งพบเห็นเท่า น, นั้นนะให้ความไว้วางใจไม่กระทั่งกับธรรมชาติ อยู่ไปอยู่ไปก็จะรู้สึกเป็นมิตรกับธรรมชาติที่นี่อยู่ไปอยู่ไปหลายคนที่เคยกลัวตุ๊กแกนะก็จะเริ่มเป็นมิตรกับตุ๊กแกแล้วก็พบว่าตุ๊กแกไม่ใช่สัตว์แปลกหน้านะมันก็เป็นมิตรที่เพิ่งรู้จักเหมือนกันกามาอยู่ป่าที่นี่เนี่ยอยู่ที่ป่าสุโกโตเปิดโอกาสที่จะทําให้เราได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆเยอะนะและเพื่อนใหม่ที่สําคัญนะที่ เราน่าจะรู้จักแล้วควรจะรู้จักนานแล้วแต่ก็ไม่สายเกินไปที่จะมาเพิ่งรู้จักนะก็คือใจนะจิตใจของเรานี่แหละใจนี่เป็นมิธีประเสริฐที่สุดนะแต่คนส่วนใหญ่นะก็รู้สึกเขินห่างหมางเมินหรือว่าแปลกแยกกับใจของตัวเอง คนเราเนี่ยถ้าหากว่ามีใจเป็นมิตรนะมีจิตเป็นเพื่อนเนี่ยก็จะรู้สึกอบอุ่นนะคําว่าเหงาคำว่าว้าวเวยคำว่าโดดเดี่ยวอ้างว้างเนี่จะไม่รู้จักนะเพราะว่าก็มีเพื่อนแล้วเนี่ยนะมีเพื่อนแล้วก็คือมีใจนี่แหละนะเป็นมิตรนะมีจิตเป็นเพื่อนแล้วจะไม่รู้จักคําว่าเหงาโดดเดี่ยวอ้างว้าง แต่ทุกวันนี้เนี่ยความเหงาความโดดเดี่ยวอ้างว้างเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะกับผู้คนมากมายทั้งๆ ท, ที่อยู่ท่ามกลางผู้คนนะทั้งทงที่อยู่ท่ามกลางฝูงชนทั้งท้ที่มีเทคโนโลยีครบครันนะแต่ว่าก็ยังรู้สึกเหงา ยิ่งถ้าเกิดอยู่คนเดียวด้วยแล้วเนี่ยก็ยิ่งเหงาเข้าไปใหญ่นะอันนี้มันสอมันแสดงว่าขาดเพื่อนนะแล้วก็เพื่อนที่สำคัญนะที่ทำให้เรารู้สึกอ้างว้างในยามที่ขาดเข้าไปนะก็คือใจนี่แหละไม่ใช่ใจใครใจของเรานะทุกคนทุกวันนี้เนี่ยคนส่วนใหญ่ก็ จะรู้สึกเป็นทุกข์มากนะเวลาที่ต้องอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวก็ได้เหมือนกันนะถ้ามีโทรศัพท์มือถือนะถ้ามีหนังสือนังหามีโทรทัศน์นะมีคอมพิวเตอร์แต่ถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้เลยเนี่ยจะรู้สึกนะทุกข์ทรมานมากแม้อยู่ท่ามกลางผู้คนแต่ว่า ถ้าไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันนะก็จะรู้สึกทุรนทุรายขึ้นมาทันทีอย่างที่หลายคนจนะจะรู้สึกในช่วงวันสองวันที่ผ่านมานะหรือว่ารู้สึกมากขึ้นเวลาที่ต้องอนะ่ปลีกตัวไปอยู่คนเดียวเช่นปลีกวิเวกอยู่ในกุตติแนะม้ว่าจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายนะแต่ถ้าไปไหนไม่ได้ พูดคุยกับใครก็ไม่ได้จะใช้โทรศัพท์มือถือติดต่อโลกภายนอกก็ทำไม่ได้ก็จะรู้สึกนะกรา ก, กระอวนนะกระสับกระส่ายทุรนทุรายขึ้นมาทันทีการอยู่คนเดียวหรือว่าการอยู่กับตัวคนเดียวนี่กลายเป็นความทุกข์ทรมานมากท่านพ่ออะไรนะก็เพราะว่าไม่มีใจเป็นมิตรนะนะไม่มีจิตเป็นเพื่อน มันก็เลยรู้สึกเหงารู้สึกโดดเดี่ยวตลอดเวลาแต่ทั้งนั้นที่มีอะไรต่ออะไรเยอะเช่นโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์หลายคนก็จรู้สึกเหงาหลายคนต้องแสวงหาคนที่จะมาเป็นคู่ครองเป็นคู่รักนั่งถามหลายคนนะว่าทําไมถึงอยากมีแฟนทําไมถึงทุกเวลาที่ตัวเองไม่มีแฟน คำตอบนก็คือว่าเพราะว่าเหงาเหงาเพียงเพราะเหงาหรือเพียงเพราะกลัวเหงาเนี่ยก็ทำให้หลายคนเนี่ยต้องพยายามดิ้นรนไขวยคว้ า, าหาแฟนมาจต่บางทีได้มาแล้วก็ไม่ใช่เป็นคนที่น่ารักนะบางทีผู้ชายก็เอาเปรียบนะผู้หญิงแล้วก็ ทำทีเจ้าชู้หรือว่ า, าพูดจาดูถูกเจตียามแต่ผู้หญิงก็ทิ้งเขาไปไม่ได้รู้ว่าเขาไม่ใช่เป็นคนดีดอะไรนะแต่สลัดไม่ได้ทิ้งไม่ไปแะไม่ยอมทิ้งเ็เพราะว่ากลัวเหงาเนี่ยนี้เป็นปัญหานะหรือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้คนในทุกวันนี้ เพียงเพราะว่าเขาไม่รู้จักหรือเขายังไม่ค้นพบนะเพื่อนที่แท้จริงนะก็คือใจของตัวนี่แหละคนเราเนี่ยถ้าหากว่ามีใจเป็นมิตรนะหรือสามารถที่จะเป็นมิตรกับใจของตัวเองได้เนี่ยอยู่คนเดียวก็มีความสุขนะอยู่คนเดียวก็มีความสุขไม่รู้สึกโดดเดี่ยว ไม่รู้สึกอ้างวางนะไม่รู้สึกว่าต้องไปเรียกร้องไปสแสวงหาที่จะให้ใครมาอยู่ด้วยนะไม่ต้องยอมเป็นน้ำใต้ศอกหรือเบี้ยร่างเพียงเพื่อว่าจะได้ไม่ต้องอยู่คนเดียวอีกต่อไปนะคนเราเนี่ยถ้าหากว่าสามารถเป็นมีตกับใจข อ, ของตัวเองได้เนี่ยมันจะมีความสุขนะมันไม่ใช่แค่จะไม่เหงาจะมีความสุขเต็มอิ่มนะ สามารถจะค้นพบเข้าถึงความสุขที่ประเสริฐเป็นเพราะว่าไม่สามารถจะพบความสุขในใจเนี่ยผู้คนจึงไปแสวงหาความสุขจากสิ่งนอกตัวนอกจากดิ้นรนไขว่คว้าหาใครสักคนมาเป็นแฟนแล้วเนี่ยก็ยังดิ้นรนไขว่คว้าหาวัตถุเงินทองเข้าของเครื่องใช้เพื่อทำให้ ตัวเองเนี่ยมีความสุขต้องมีเงินเยอะๆนะต้องมีรถต้องมีบ้านต้องมีสถานะต้องมีตำแหน่งเพราะถ้าหากขาดสิ่งเหล่านี้ไปก็จะรู้สึกเคว้งคว้าง การที่ผู้คนดิ้นนแสวงหาสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมันก็สะท้อนนะหรือฟ้องอยู่ในตัวว่าเขาไม่สามารถจะพบความสุขภายในได้และที่เขาไม่สามารถจะค้นพบความสุขภายในเพราะว่าเขานะไม่มีใจเป็นมิตรนะเกาไม่สามารถจะค้นพบเพื่อนที่แท้จริงนะก็เลยไม่สามารถจะ สัมผัสหรือเข้าถึงความสุขอันประณีตถ้าว่ามีใจเป็นมิตรเนี่ยจะรู้สึกอบอุ่นนะมั่นคงในจิตใจไม่ต้องเอาอะไรมาเป็นเครื่องค้ำยันเพื่อสร้างสนเพื่อสร้างเสริมความมั่นใจของตัวเองเดีย๋ยวนี้หลายคนเนี่ยต้องหาต้องพยายามที่จะหาอะไรมาเพื่อทําให้ตนเองมั่นใจ เช่นสินค้าแบรนด์เนมนะถ้ามีสินค้าแบรนด์เนมเนี่ยหลายคนจะรู้สึกมั่นใจเช่นถ้าได้สพายกระเป๋าราคาเป็นหมื่นเป็นแส น, นยี่ห้อดังจะรู้สึกมั่นใจเดีย๋ยวนี้หลายคนเนี่ยถ้าหากว่าเวลาประชุมแล้วเนี่ยแล้วไม่มี iPhone อยู่ข้างตัวนี้ก็จะไม่ค่อยมั่นใจนะอันนี้ไม่ใช่พูดพูดลอยๆนะเขาเขามีการวิจัยเพราะว่าเวลาประชุมเนี่ย นะคนที่มีโทรศัพท์ไอโฟนอยูนะ่ข้างตัวเนี่ยจะรู้สึกมั่นใจนะถ้าไม่มีเนี่ยจะกระสับกระส่ายเลยนะเดี๋ยวนี้เราเอาความมั่นใจังเรยนะไปผูกติดไว้อยู่กับสิ่งอื่นมากมายรวมทั้งเสื้อผ้านหน้าผมนะเดี๋ยวนีนะ้ถ้าหากว่าไม่ได้มีการใส่เสื้อผ้าให้ใหสวย นะให้แต่ตาผู้คนนะก็จะรู้สึกไม่มั่นใจนะก็ต้องเป็นเสื้อผ้าราคาแพงมียี่ห้อมีระดับหน้าตาก็เหมือนกันนะอางนี้ก็ต้องพยายามดึงหน้าพยายามที่จะทําให้หน้าตา飒สเปเร์ดรูปทรงงดงามเพื่อว่าจะได้มั่นใจถ้านะเมื่อเร็วๆนี้เราได้ข่าวใช่ไหมนักร้องชื่อดังอ่ะสุรชัยสมบัตเจริญเนี่ยก็ไปยกเครื่อง เปลี่ยนหน้าใหม่เลยนะไม่ใช่แค่ดึงเฉยๆนะไม่ใช่แค่เอาไขมันอกนะเปลี่ยนหน้าใหม่ทั้งทั้งหน้าเลยทั้งที่เป็นหน้าที่พ่อแม่ให้มาก็เปลี่ยนเพื่อให้หนุ่มขึ้นนะกว่าเดิมยี่สิบปีสามสิบปีก็ให้สัมภาษณ์เมื่อเๆนี้ว่าเนี่ยถ้าเขาการที่เขาเปลี่ยนหน้าใหม่เนี่ยมันทําให้เขาสึกมั่นใจมากขึ้นเวลาเขาร้องเพลงเนี่ยเขาจะร้องเพลงด้วยความมั่นใจ ซึ่งจะทำให้เขาสามารถจะมอบความสุขให้กับผู้อื่นได้เพราะว่าอาชีพเขาเป็นอาชีพให้ความสุขกับผู้คนแล้วเขาเพราะงั้นการร้องเพลงเขาเนี่ยต้องทํามันมีความมั่นใจในการร้องเนี่ยเขาก็จะสามารถให้ความสุขกับผู้คนได้และเหตุผลที่เขาเปลี่ยนหน้าตาของตัวเองเนี่ ย, ยนะก็เพื่อจะทําให้เกิดความมั่นใจ ซึ่งก็น่าห่วงนะเพราะว่าหน้าตางเขาเนี่ยหนส่นก็ต้องเสื่อมไปคนเราถ้าเอาความมั่นใจไ ป, ไปผูกติด ก, กับเสื้อผ้าหน้าผมอะ่ะแล้วเมื่อเสื้อผ้าหน้าผมเนี่ยมันมันเริ่มล้าสมัยหรือมันเริ่มเหี่ยวนะก็มิหมายความว่าจะต้องสูญเสียความมั่นใจเหรอนะความมั่นใจนี่มันสามารถเกิดขึ้นได้จากใจของเรานะจากใจของเราใจที่ เรารู้สึกแนบแน่นหรือว่านะเข้าถึงสิ่งที่มันเป็นคุณสมบัติส่วนลึกนะคนเดียวนี้ขาดความมั่นใจหลายอย่างจึงเปิดปรากฏการนะอย่างเช่นตุกตาลูกเทพเนะี่ยก็มีคนไปสัมภาษณ์กันนะรายการโทรทัศน์ไปสัมภาษณ์ผู้หญิงก็ยังสาวอยู่เลยเป็นนักศึกษา หรืออาจจะเพิ่งจบแกบอกว่พาพอมีตุ๊กตาลูกเทพแล้วเกิดความมั่นใจมั่นใจเวลาจะไปทํางานเวลาจะอจะพูด จ, ะ จ, จ, จะจะเจรจาก็จะมีความมั่นใจมากขึ้นซึ่งก็อาจจะเป็นเหตุผลว่าทำไมพอมีตุ๊กตาลูกเทพแล้วเนี่ยถึงอาการงานก้าวหน้านมันไม่ใช่เพราะว่าไม่ใช่เพราะอำนาจดลบรรด า, นานของตุ๊กตาลูกเทพโดยตรงนะแต่เป็นเพราะว่า เจ้าตัวเนี่ยพอมีแล้วเนี่ยเกิดความมั่นใจแล้วพอมั่นใจแล้วเนี่ยนะการพูดการจาหรือว่าสติปัญญามันก็พรั่งพลุออกมาได้ง่ายแต่ว่าคนเราเนี่ยไม่จำเป็นว่าจะต้องมีสิ่งโนนสิ่งนี้มาเพื่อเสริมสร้างคําจุนนะความมั่นใจถ้าเราเข้าถึงจิตใจของตัวเราเองนะหรือว่าเรา รู้จักตัวเราเองดีพอเนี่ยนะเราก็จะมีความมั่นใจจริงๆโจทย์คำถามหลายอย่างในชีวิตเนี่ยที่ผู้คนสับสนที่ผู้คนแสวงหาเนี่ยมันไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยหาจากใจของเรานี่แหละเคยอ่านบทสัมภาษณ์นะของนักดนตรีคนหนึ่งนะชื่อซันตาน่าเนี่ยไม่รู้พวกเรารู้จักหรือเปล่านะซันตานานี่คนดังมากสมันั้ น, น, น, า น, น, ดดานม า, ม า, ย า, มายอย่างยังอายุสิบห้าสิบหกนะ มันก็สี่สิบปีมาแล้วนะเขายัางดังอยู่นะแม้จะผ่านไปสี่สิปีเนี่ยขายัางเป็นนักดนตรีที่มีชื่อระดับโลกก็เคยมาแสดงสดที่เมืองไทยก็มีสื่อไท ย, ยไปสัมภาษณ์ว่าเนี่ยถ้าหากว่ามีวัยรุ่นที่เล่นดนตรีเนี่ยเขามาปรึกษาคุณมาขอคำแนะนำว่าทำอย่างไรจึงจะค้นพบแนวทางของตัวเอง อันนี้เป็นคำถามที่หลายคนสนใจนะั้นวัยรุ่นนักดนตรนีอยากจะมีแนวทางของตัวเองนะไม่อยากจะไปเรียนแบบใครสารานาก็ตอบดีนะก็ตอบว่าให้วางโทรศัพท์ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์นะแล้วก็อ่าให้วางโทรศัพท์เก็บเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วก็ปิดโทรศัพท์ปิดโทรทัศน์ แล้วฟังเสียงหัวใจของคุณนะให้คำแนะนำเขานะพูดสั้นๆเนี่ยนะให้วางโทรศัพท์นะเก็บคอมพิวเตอร์แล้วก็ปิดโทรทัศน์ฟังเสียงหัวใจคุณนะแล้วหัวใจคุณเนี่ยมันจะมันจะบอกเองนะว่าแนวทางดนตรีของคุณเนี่ยคืออะไรน่าสนใจนะเพราะแทนที่ เซนตอนหน้าเขาจะแนะนำมาให้ไปฟังดนตรีคนนั่นคนนี้ซึ่งก็หมายเขาว่าต้องไปเปิดยูทูบนะเปิดคอมพิวเตอร์เพื่อจะดูว่าดนตรีของคนนั่นคนนี้เป็นแนวไหนบ้างก็าก็บอกว่าให้ปิดนะปิดโทรศัพท์ปิดโทรทัศน์เก็บคอมพิวเตอร์แล้วฟังเสียงหัวใจของคุณมันก็ตรงมันบังเอิญ น, นะไม่รู้เป็นบังเอิญหรือว่าไปตรงกับที่ ท่านติดนัธันเนี่ยท่านไดพูดเอาไวา้ติดนทธันนี่ท่านเป็นเป็นธรรมอาจารย์ที่มีชื่อมากนะชาวพุทธเนี่ยที่มีชื่อเป็นที่มีชื่อเป็นที่รู้จักทั่วโลกเนี่ยถ้าลองจากชละลัมมานี่ก็คือท่านติดนทธันท่านเป็นพระชาวเวียดนามนะซึ่งมีลูกศิษย์ทั่วโลกแล้วก็ท่านมีสถานปฏิบัติธรรมมากมายรวม ท, ทั้งที่เมืองไทยด้วยหมู่บ้านพลัมเนี่ยก็อยู่ในสำนักของติดนทธัน นะท่านเป็นธรรมอาจารย์ที่มีชื่อมากแล้วก็สอนเรื่องกรรมฐานนะท่านพูดเหมือนกันนะว่านะคนเดี่ยวนี้เนี่ยนะไม่ค่อยมีเวลาฟังเสียงหัวใจของตัวเองหัวใจส่งเสียงแต่เราไม่ได้ยินนะนะท่านพูดเหมือนสันตา น, น่าเลยนะท่านังที่ไปคนละวิธีชวนิคนละทางกันเลยนะ แต่ว่าคำตอบนี่เหมือนกันก็คือกลับมาที่ใจของเรากลับมาที่ใจของเราเสียงของหัวใจเนี่ยมันไม่ได้ออกมาเป็นคำพูดนะมันออกมาเป็นความรู้สึกนะอย่างคนนักดนตรีที่จะค้นพบแนวทางตัวเองเนี่ยนะมันต้องเป็นตัวนกดนตรีที่ออกมาจากใจของตัวเองออกมาจากใจของตัวเองไม่ใช่ออกมาจากเสียงของคนอื่นที่อยู่ในหัวเรา ไม่ใช่เกิดจากการจดจำนะออกมาจากใจเสียงอะไรเสียงดนตรีอะไรที่มันหรือแนวดนตรีอะไรที่มันมันสะท้อนนะจิตวิญญาณของเราได้ดีที่สุดนั่นแหละคือแนวทางของเราจะฟังเสียงหัวใจของตัวเองได้เนี่ยมันต้องมันต้องอยู่ในความเงียบนะาตนตานาถึงบอกว่าให้วางโทรศัพท์เก็บคอมพิวเตอร์แล้วปิดโทรศัศน์ะ คำตอบมันอยู่ที่ใจของเรานะคำตอบไม่ใช่เฉพาะคำตอบในเรื่องของการหาดนตรีที่เป็นแนวทางตัวเองนะคำตอบในเรื่องอื่นด้วยแม้กระทั่งคำตอบในเรื่องคู่ครองเนี่ยนะคำตอบ เ, เรื่องคู่ครองเนี่ยมันต้องออกมาจากใจของเราว่าคนนี้ใช่หรือไม่คำว่าใช่เนี่ยมันมันไม่ได้ออกมาจากนัน้นออกมาจากใจของเราว่าใช่แต่ส่วนใหญ่เนี่ยเราเลือกนะตาม คำบงการของคนรอบข้างหรือของกระแสสังคมเจนต้องเป็นคนหนุ่มต้องเป็นคนหล่อนะนี้ถ้าเป็นผู้หญิงจะเลิกผู้ชายนะต้องเป็นคนหลอ่อต้องเป็นคนมีฐานะมีชื่อเสียงต้องจบปริญญาถ้าจะเลิกผู้หญิงก็ต้องนะต้องเป็นคนสวยนะหรือว่าเป็นคนมีสเสน่ห์อะไรต่างๆเนี่ยซึ่งมันไม่ใช่ออกมาจาก มันไม่ใช่เป็นเสียงออกมาจากใจของตัวเองนะแต่เป็นเสียงที่ออกมาจากคนอื่นมากกว่าที่เขาพูดใส่หัวเราอาจจรวมหนังสือต่างๆที่เขาพูดใส่หัวเราเนะีแล้วราก็ไปไปหลงคิดว่านั่นอนะคือเสียงจากใจเรานะเป็นเพราะคนสมัยเนี่ยไม่ค่อยได้มีเวลาที่จะฟังเสียงหัวใจของตัวเองเนะี่ยมันถึงดำเนินชีวิตเนี่ยผิด ผิดทิศผิดทางไปเยอะนะเล่นดนตรีก็ไปลอกแบบคนอื่นมาหรือว่าจะไปเลือกคู่ก็ไปเลือกนะคนที่เสียงในใจไม่ได้บอกว่าใช่เลยนะแต่เป็นเพราะว่านะกระแสะสังคมเขาบอกว่าใช่บอกว่าใช่บานะงทีก็จะเป็นพ่อแม่ด้วยซ้ำความสูงคนเราก็เหมือนกันนะคนเราจะมีความสุขอย่างแท้จริงเนี่ยก็เพราะว่า เราได้ฟังเสียงจากหัวใจของเราอย่างแท้จริงหลายคนที่ว่าจะมีความสุขได้ก็ต้องมีเงินมีทองต้องมีชื่อเสียงต้องมอีสถานภาพตำแหน่งต่างๆนะอันนั้นก็ไม่ใช่เสียงมาจากใจของเราแต่เป็นเสียงของคนอื่นที่เขาบอกนะเขากรอกใส่หัวเรานะอาจจะตั้งแต่เด็กเลยก็ได้หรือจากเพื่อนของเราหลายคนเลือก เลือกเรียนคณะเนี่ยเวลาเลือกเรียนมาเท่าไเนี่ยคณะที่เรียนเนี่ยก็ไม่ได้ออกมาจากใจตัวเองเลยนะแต่ว่าออกมาจากเสียงชักชวนของเพื่อนเลือกตามเพื่อนนะเลือกตามเพื่อนหรือไม่ก็เลือกตามพ่อแม่จบมาแล้วยังไม่รู้เลยจะเรียนอะไรจบมาแล้วยังไม่รู้เลยว่าจ ะ, ะทำอาชีพอะไรบางทีต้องให้พ่อแม่ช่วยหา นี่คืเหมือนกันนะเพราะว่าเขาไม่ได้ฟังเสียงหัวใจของเขานะถือเท่าเขาเพียงแค่เขาฟังรู้จักฟังเสียงหัวใจตัวเองก็จะรู้ว่าเออเนี่ยใช่หรือไม่ใชนะ่ชอบหรือไม่ชอบนะซึ่งชอบของเราอาจจะไม่ไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นชอบก็ได้ใช่ของเราอาจจะไม่ใช่เป็นใช่ของคนอื่นก็ได้ แต่สิ่งที่ไม่ใช่ของคุณอาจจะเป็นใช่ของเราก็ได้นะท่านเตตันธันเนี่ยท่านนะพูดเหมือนสานตนาอย่างที่บอกไว้แล้วว่าให้เราเนี่ยฟังเสียงหัวใจของเรานะีแล้วคําตอบนะมันจะออกมาไม่ใช่เฉพาะเรื่องความสุขเท่านั้นนะบางทีเสียงหัวใจเราก็จะบอกถึงเรื่องความทุกข์ด้วยนะว่าไอ้ที่เราทุกข์อยู่เนี่ยมันทุกข์เพราะอะไรกันแน่นะ บางทีเนี่ยเราจะค้นพบคำตอบได้เนี่ยนะก็จากการที่เราเนี่ยนะหันมาดูใจของเราอ่านใจของเรานะถ้าเราหมันดูใจของเรานะซึ่งถ้าพูดแบบเิลปินคือฟังเสียงหัวใจเนี่ยมันเหมือนกันนะเราหันหมันมาดูใจของเรานะมันมาอ่านใจของเรานะ เราก็จะพบว่าอ๋อที่เราทุกข์เนี่ยนะมันเป็นเพราะคนอื่นแน่หรือนะหรือเป็นเพราะว่าความจึดมั่นถือมั่นในใจของเราความทุกข์นี่มันมีประโยชน์นะถ้าว่าเรารู้จักมองรู้จักดูและเวลาความทุกข์มันเกิดขึ้นในใจเนี่ยนะถ้าเราดูให้ดีนะใจเราก็จะบอกเลยนะว่าทุกข์เพราะอะไรไม่ใช่ทุกข์เพราะคนอื่นนะ แต่พวุกพราะวางใจไม่เป็นนะวางใจไม่ถูกทุกวันนี้เราดูอะไรเยอะนะเราอ่านอะไรมากมายนะเราฟังเสียงอะไรมากมายนะแต่ว่าเราไม่ค่อยได้ฟังเสียงหัวใจของเราเราไม่ค่อยได้อ่านใจของเรานะเราไม่ค่อยได้หมั่นดูใจของเรานะการภาวนาเนี่ยนะมันก็เป็น เป็นวิถีหรือเป็นหนทางในการที่เรานะจะได้ได้ยินเสียงจากหัวใจของเราได้ยินเสียงจากเมตตากรุณาที่มันอยู่ในใจเราได้ยินเสียงของสติที่มันคอยทักท้วงเรามันมีเสียงเหล่านี้เนี่ยนะที่คอยบอกเราคอยทักท้วงเรานะหรือคอยให้กาลังใจเรา แต่เราไม่ได้ยินเพราะในหัวเราเนี่ยนะมันรบกวนไปด้วยเสียงต่างๆมากมายมันมีเสียงรบกวนเยอะนะในหัวเราอันนี้เป็นเหตุผลนึงที่ทำให้เราเนี่ยไม่สามารถจะได้ยินเสียงจากหัวใจเราได้เพราะเราลองเดินขณะที่เราเดินจังกรมเราที่เราสร้างจังหวะเนียเราจะรู้สึกเลยนะว่ามันมีเสียงดังอยู่ในหัวตลอดเวลาเนะี่ยเสียงดังอยู่ในหัวเราตลอดเวลาไอ้เสียงเหล่านี้แหละนะ ที่มันทำให้เราไม่สามารถจะได้ยินเสียงจากหัวใจเราได้แล้วพอเสียงในหัวเนี่ยนะมันมันดังไม่หยุดเราบางทีหลายคนก็ไปคิดว่านั่นแหละคือเสียงจากใจของเรามันไม่ใช่ไอเสียงดังในหัวเป็นเสียงจากปากของคนอื่นนะบางทีมันก็เป็นเสียงที่ถูกกรอกใส่หัวเราใส่หัวเราตั้งแต่เรายังเด็ก แล้วมันทำให้ผู้คนมีความทุกข์เนี่ยเพราะเสียงในหัวนี่แหละนั <c oughs> ติาหันนัอบอกว่าเนี่ยในหัวเรามีสถานีวิทยุนะชื่อว่าคิดไม่หยุดหรือว่าไม่หยุดคิดนะ non-stop thinking นะ NST นะเพราะว่าเสียงเนี่ยมันดังตลอดวเวลานี่แหละนะมันก็เลยกรบเสียงจากใจเรามันก็เลยกรบเสียงจากสติ นะที่มีอยู่แล้วในใจเราเสียงของเมตตากรุณานะเสียงของคุณทำอลไรอย่างที่อยู่ในใจเรานะบางทีเราเห็นคนคนยากจนหรือว่าคนที่เป็นลมคนป่วยเป็นลมนะเราก็เดินผ่านแต่ทั้ที่ในใจเรามีเสียงร้องว่าให้ช่วยคนหน่อยนะ อันนี้นแหละคือเสียงของมโนธรรมนะเสียงของเมตตากรุณาแต่เราก็เดินผ่านโดยไม่สนใจอาจจะเพราะว่าใครๆเขาก็ทําอย่างนั้นมันมีเสียงหนึ่งบอกในหัวเราเนี่ยบอกใครๆก็ทําอย่างนั้นกันก็คือเดินผ่านไอเสียงในใจเสียงจากมโนธรรมบอกว่าช่วยคนหน่อยช่วยคนหน่อยแต่ว่าเสียงในหัวมันดังกว่า นมันก็เดินผ่านหรือบางทีเจอเงินนะเจอโทรศัพท์ของใครไม่รู้วางอยู่เสียงในห่วงก็บอกเลยหยิบไปเลยหยิบไปเลยนะมันไม่มีเจ้าของนะเราก็กําลังขาดกันอยู่พอดีนะแตเสียงจามโนธรรมมันก็บอกว่าอย่าทําอย่าท ำ, าทำแต่เสียงมันเบา ไอ้เสียงในหัวมันดังความันก็ดิบไปเลยนะไอ้ทุกวันนี้เนี่ยเสียงในหัวมันดังมากแล้วมันออกมาตลอดเวลาทั้งในยามตื่นแล้วก็ยามหลับแต่ว่าถ้าหากเรานะพยายามที่จะนะเริ่มต้นที่จะฟังเสียงจาหัวใจเราไอนะ้ภาวนาเนี่แหละมันจะช่วยได้นะการเจลสติเนี่ยก็คือการที่เราเนี่ย นะรับรู้นะสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าเสียงดังอยู่ในหัวนะเราก็รับรู้รู้แล้วก็เฉยรู้แล้วก็วางมันจะพูดมันจะบ่นยังไงก็ช่างมันหลวงพ่อคาเขียนเขาบอกว่าคิดดีก็ช่างคิดไม่ดีก็ช่างนะปล่อยมันไปแล้วเดี๋ยวเนี่ยทาไปทาไปเนี่ยเสียงในหัวจาค่อยเงียบลงเงียบลงเงียบลงนะเสียงที่เคยดังระ ง, งม แม้กระทั่งเสียงบนเสียงโวยวายมันจะค่อยเงียบหลงเงียบลงถ้าว่าเราเนี่ยนะไม่สนใจมันนะคือแค่รู้แล้วก็วางรู้แล้วก็วางในในลองที่เราปฏิบัติสองสา 2, วันมาเนี่ยนะหรือว่าหลายวันก็แล้วแต่มันก็จะมีเสียงบนอยู่นั่นแหละเสียงบนโวยวายเสียงบอกไม่ไหวไม่ไหว อย่าไปสนใจหมก็เดินไปเรื่อยๆทำไปแค่เพียงรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็วางนะแล้วเดี๋ยวมันจะค่อยๆเงียบหายไปค่อยๆหายไปนะมันก็ไม่หายไปทีเดียวนะแต่มันก็จะแผวลงแผวลงแล้วก็ทิ้งช่วงนานขึ้นนานขึ้นไอช่วงว่างนั่นแหละนะที่เสียงจากหัวใจเราก็จะออกมามันจะทำให้เราได้เห็น ได้รู้จักตัวเรามากขึ้นนะรู้จักตัวเรานีนะ่มันไม่ใช่แค่เห็นหน้าตาเห็นเงาตัวในกระจกก็บอกได้ว่านี่คือเราไม่ใช่คนอื่นนะอันนั้นเป็นการเห็นด้วยตาซึ่งต้องอาศัยกระจกนะมันก็เป็นความสามารถอย่างหนึ่งของมนุษย์นะที่สัตว์อื่นทำได้ยากมีสามิกิชี่นนี้นะที่เห็น หน้าตัวในก็จกแล้วก็รู้ว่าเป็นตัวเองไม่ใช่ตัวอื่นนะเช่นกอริลลาอูรังอุตังปาโลมานะนกขุนแผนเนี่ยไอ้พวกนี้เนี่ยมันพอเห็นหน้าตัวในกระจกแล้วก็รู้ว่าเนี่ยคือตัวมันนะไม่ใช่ตัวอื่นหมาก็ทําไม่ได้แมวก็ทําไม่ได้หมามันเจอนะ่ะหมามันเจอเงา ตัวมันเองในกระจกบางที่มันเห่านะแต่การที่เราเห็นหน้าตัวเราเองในกระจกเรารู้ว่านั่นคือหน้าเราไม่ใช่หน้าคนอื่นเนี่ยมั น, นยังไม่ใช่การรู้จักตัวเองแท้จริงนะการรู้จักตัวเองเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการที่เห็นใช้ตาเนื้อเห็นหรือใช้ตาเนื้อมองแต่คือการใช้ตาในใช้สตินี่แหละใช้สติน มันจะเห็นความคิดเกิดขึ้นในใจเห็นอารมณ์เกิดขึ้นในใจเห็นแล้วก็ผ่านเห็นแล้วก็ผ่านนะแต่ก่อนเนี้ยไม่ผ่านไงพอเจอปุ๊บนี้ก็เสร็จปั๊บเลยนะพอมีความคิดเกิดขึ้นมาในใจก็โดนความคิดนี่มันลากลู่ถู ก, กังไปพอมีอารมณ์เกิดขึ้นก็หมกจมอยู่ในอารมณ์นั้นนะชีวิตก็เลยหาความสงบไม่ได้หาความเงียบไม่เจอ แต่พอต่อมาเนี่ยเรารู้จักนะที่จะดูมันเฉยๆนะไอเสียงไอความคิดอะไรเกิดขึ้นก็ดูมันไปดูแล้วก็วางดูแล้วก็วางนะผ่านตลอดเหมือนนั่งรถทัวร์นั่งรถทัวร์นี่ไม่มีการเจาะไม่มีการแวะนะผ่านตลอดนะปฏิบรรัติทำจรน์สติมันจะเป็นลักษณะแบบนั้นนะคือนั่งรถทัวร์ ผ่านตลอดเจอชายหาดเจอศูนย์การค้าเจอบิ๊กซีเจอเดอะมอลก็ผ่านไม่เหมือนนั่งรถส่วนตัวนะแวะอยู่เรื่อยนะแวะชอปแวะซื้ อ, อนั่นแหละนี่พอเราผ่านเนี่ยในเสียงตามก็นะก็รู้รู้แล้วก็วางรู้ก็วางนะแล้วมันก็จะ เสียงก็จะระงงระ ง, งมดังน้อยลงไปตอนน้อยลงไปแผ่วเบามากขึ้นเรื่อยๆแต่ในหลองที่เราเห็นโน่นเห็นนี่เนี่ยแล้วก็ผ่านเนี่ยมันจรมันก็ไม่ได้ผ่านเลยนะเพราะมันทำให้เราได้เห็นอ๋อเรามีนิสัยแบบนี้เรามีนิสยบบนัเสยเจ้าคิดเจ้าแค้นเรามีนิสยัยชอบขี้บน่นหลายคนไม่รู้จักตัวเองว่าเป็นคนขี้บน่นก็ตอนภาวนานี่แหละ มันเห็นเสียงต่างๆในหัวที่มันระ ง, งมดังเนี่ยเสียงเหล่านี้มันบอกสอดถึงนิสัยของตัวเองซึ่งก็มีประโยชน์นะเห็นว่าเป็นคนขี้บน่นเห็นว่าเป็นคนอเจ้าอารมณ์หรือเป็นคนที่ชอบมองอะไรในแง่ลบเนี่ยพอเมื่อเราเห็นมันมันก็จะเล่นงานจิตใจเราครองงา น, านจิตใจเราได้น้อยลงและมทำไมทให้เราเห็นความสําคัญการรักษาใจรักษาใจให้มากขึ้น รักษาใจไม่ให้อารมณ์เหล่านี้เข้ามาครอบงำจิตใจใจมันจะเป็นมิจกับเรานี่เราก็ต้องช่วยคนด้วยนะนอกจากรู้จักมันฟังเสียงจากหัวใจเราแล้วเนี่ยหรือว่ า, ารู้จักที่จะรับรู้รับฟังอ่านจิตอ่านใจของตัวเองแล้วเนี่ยเราต้องรู้จักรักษาใจของตัวเราด้วยไม่ให้ เอารวมเราที่เข้ามาครอบงำนะเราจะเห็นความสําคัญของการรู้สึกตัวการสร้างความรู้สึกตัวการมีสตนะิเพราะว่ามันจะเป็นเครื่องรักษาใจที่ดีมากและถ้าเราักษาใจดีนะต่อไปใจก็จะรักษาเราใจก็จะเอื้อเฟื้อเกือ้อกลุมเรานําพาความสุขนําพาความสงบเย็นแม่กับตัวเรานะแม้ว่าจะจนทรัพย์นะแม้ว่าจะ ไม่มีลาบสักการะมากแต่ก็มีความสุขนะเพราะว่าการที่เรามารักษาใจจกนกระทั่งใจเนี่ยมาเป็นนิสกับเราอย่างแท้จริงให้การมาที่สุขโตในช่วงไม่กี่วันของเรานะมันเป็นโอกาสที่ทำให้เราได้พบเพื่อนใหม่จริงๆนะสำหรับคนที่ยังไม่เคยได้พบนะ ได้พบเพื่อนใหม่เนียก็คือใจของเรานี่แหละได้พบว่าใจเนี่ยเป็นวิธีประเสริฐของเราหรือสามารถที่จะทําให้ใจนี้กลับมาเป็นมิตของเราได้อาการถ้าเรารู้จักมีใจเป็นมิตรนะมีใจเป็นเพื่อนเนี่ยมันถือว่าเป็นโชคประเสริฐมาก ย, ยิ่งกว่าถูรัตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนะ ย, ยิ่งกว่ามีหน้าใหม่เนะย ที่กระชากไว้ยิ่งกว่าเดิมหรือยิ่งกว่าการมีลูกเทพหลายหลายหลายตัวด้วยซ้ำนะเอะลาละคำนี้ก็เพื่อเท่านี้เอากลับครับ